ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชนาลังการะดีกาแปลพระพุทธรกิตาจารยมหาสีรังการัชนาะต่อไปเป็นเรื่องของท่านสุเมธาดาบทต่อสุเมธาดาบทนอนกระทำอภินิหารประมวลธรรมแปดประการ ซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าอภินิหารย่อมสำเร็จได้เพราะทำแปดการประชุมพร้อมกันคือความเป็นมนุษย์หนึ่งความสมบูรณ์ด้วยเพศบุรุษหนึ่งเหตุที่จะทำให้สำเร็จพระอรตภภัตผลได้ในชาตินั้นหนึ่งการได้เห็นพระศาสดาหนึ่งการบรญรชาหนึ่งความถึงพร้อมด้วยคุณคือสมาบัติแปดและอภิญญาห้าหนึ่ง อธิการคือการกระทำให้ยิ่งคือมอบชีวิตถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าหนึ่งความเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านมเมีธาดาบทจึงกล่าวว่าเมื่อเรานอนอยู่ที่พื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเมื่อต้องการอยู่ก็พึงเผากิเลส ข, ของเราได้ในวันนี้แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ที่จะรู้แจ้งพระธรรมในศาสนานี้โดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักเราจักบรรลุพระสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าในหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาจะมีประโยชน์อะไรแก่เราผู้เป็นบุรุษผู้มีกําลังมีความสามารถจะข้ามพ้นแต่เพียงผู้เดียวเราจักบรรลุพระสัพพัญยุตยานช่วยมนุษย์สยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นด้วย ด้วยอธิการคือกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ที่เราได้ทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุรุษสูสุดเราจากบรรลุพระสัพพยุตยานช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นเราจากตัดกระแสสังสารวัฏทำลายภพทั้งสามแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาเรือคือธรรมช่วยมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้น ธรรมสมุทานแปรทการภาษาบาลีก็คือมนุสตังลิงคสัมปติเหตุสถารารัตสนังปปับับชาคุณสัมปติอธิการโรจะฉันดะตางเปนคำว่าอภาินิหารก็หมายถึงความปรารถนาพระพุทธ ภ, ภูมิหรือการตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงนั่นเองหมายถึงการบำเพ็ญบารมีปรารถนาที่จะตั้งเอาไว้แต่ดั้งเดิม มาปรารถนาอันยิ่งใหญ่เรียกว่าอภินิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรเสด็จมาประทับยืนทางด้านศรีรษะของตุมีธบัณฑิตแล้วทรงกระทาการพยากรณ์เพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษ์ตาจารย์จึงกล่าวว่าอุดศีส ก, กะก็ความละนาคเตสุทางศรีรษะแล้วก็พยากรณ์ในอนาคตก็ความละ ในคําเหล่านั้นคําว่าอนาคเตสุในอนาคตเป็นพระหูวจนะย่อมแสดงความที่การเวลากําหนดมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรตรัตยาการอย่างไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่เหนือศรีรษะของเราตรัสพระดำรัสนี้ว่าเธอทั้งหลายจงดูฉรินดาบทนี้ ผู้มีตะบะแก่กล้าในกับอันประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปเขาจากเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตจากเสด็จออกจากนครกระบิลพั์ที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาพระตถาคตจากประทับนั่งที่โคนต้นอชะปาระนิโครธทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวป่ายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามผลทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศอันยิ่งใหญ่จากทําประทักษิณโพธิมณฑ น, นอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตตพลึกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีนามว่ามายา พระบิดาจะมีนามว่าสุตโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระอัครส า, าวกจะมีชื่อว่าโกริตะและชื่อว่าอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีพระอุปถากจะมีชื่อว่าอานน์จกบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระอัครส า, าวิกาจะมีชื่อว่าเขมา และชื่อว่าอุบลวรรณาผู้ไม่มีอาศวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีต้นไม้อันเป็นสถานที่ตัตรุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอศัศทถพฤกพระทสพลประทับยืนอยู่ทางด้านเหนือศีรษะอย่างนั้นครั้นทรงพยากรแล้วทรงชื่นชมทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้แปดจำมือ สเสด็จดำเนินเวียนขวาหลีกไปพระขีนาศบสี่แสนรูปพาการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเดินเวียนขวาคือทำประตัดสินแล้วก็หลีกไปก็ไม่ได้เดินเหยียบบนสรีระของท่านสุ ม, มธาดาบด ร, รกนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างร่าเริงยินดีว่าได้ทราบว่าสุมเมธาดาบดรกจะเป็นพระพุทธเจ้าพาการกระทำการบูชาหลายอย่างประมาณนีไ้ได้ ไหว้แล้วระบุบุคพนิมิตสามิสองประการชมเชยแล้วก็หลีกไปขณะนั้นสุเมธดาบทได้ฟังคำพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปังกรและของเทวดากับพรหมผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลแล้วจมลงในทะเลแห่งปีติมีปีติห้าสร้างทั่วสริระเมิาระยะเป็นประดุษมีกายอันอภิเศษด้วยอมตะคือน้าอมฤต สำคัญสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าประดุจอยู่ในอุ้งมือเกิดความอุตส่าหะอย่างยิ่งว่าเราจะถือเอาสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าในวันนี้เหมือนกับได้วันนี้เลยลุกขึ้นจากเปลือกตม้มนั่งคูบาลังเหนือกองดอกไม้ค้นหาทำที่จะทำให้ตัรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพุทธาการะธรรมหรือว่าปารมีปวิจจธรรมนั่นเอง ก็ค้ขนคว้าวิจัยบารมีเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกล่าวว่าสุตวานะปัตโตวะมหาภิเสกังครั้นได้ฟังแล้วดูดได้รับการอภิเศกยิ่งใหญ่เป็นต้นในคำเหล่านั้นบาทแห่งคถาว่าอุทายะโสสัมมสิปารมีทัสสะสุเมธาดาบท น, นั้นจึงลุกขึ้นพิจารณาบารมีสิทธิการ มีอธิบายว่าสุเมธาดาบทนั้นลุกขึ้นจากที่นอนคิดว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้ที่มีพระดำรัตที่ไม่เป็นโมฆะการที่ถ้อยคําของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะกลายเป็นอื่นย่อมไม่มีเปรียบเหมือนก้อนดินที่โยนขึ้นไปในอากาศจะต้องตกลงการที่สัตว์เกิดแล้วจะต้องตายเป็นสิ่งแน่นอนฉันใด พระธรรมดัลของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของแน่นอนมีความแน่แท้ไม่เป็นโมฆะฉะนั้นเราจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่แท้ค้นหาอยู่ว่าทาที่จะกระทาให้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหล่าไหนเราจะค้นหาทาเหล่านั้ น, าา น, น, นได้เห็นธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเอาเถิดเราจะค้นหาพุทธการกธรรม จากสิทิทิศคือข้างนี้ข้างนี้เบื้องบนเบื้องล่างตลอดทั่วธรรมธาตพุทธการะคธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสิบประการก็ได้แก่ทานอย่างที่หนึ่งสองก็คือศีลสามเนคขมะสี่ปัญญาห้าวิริยะหกขันติเจ็ดสัจจะแปดอธิษฐานเก้าเมตตาสิบอุเบกขาก็คือบารมีสิบนั่นเอง ครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นทานาบ ร, รมีเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นทางใหญ่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดทานาบ ร, รมีข้อที่หนึ่งนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านจงบำเพ็ญทานาบ ร, รมีเถิด หม้อที่เต็มด้วยน้ำซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่ำลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นฉันใดท่านเห็นผู้ขอคือยาจกทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อน้ำที่เขาคว่ำลงฉันนั้นตุเมธาดาบทสอนตนด้วยตนเองว่าท่านจงบำเพ็ญทานบา ร, รมีด้วยการบริจาคทรัพย์อย่างไม่เหลือ ทานอุปปารมีด้วยการบริจาคอวัยวะทานปรมัฏฐบารมีด้วยการบริจาคชีวิตใครครวรยิ่งขึ้นอีกว่าอันทำที่จะกระทาให้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้จึงกล่าวว่าแต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจับค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปไม่ใช่เพียงทานเท่านั้น แต่ว่าทานนี้เป็นเบื้องต้นในการที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งฐานนบ ร, รมีอุปป a r a ีแล้วก็ปรมัฏฐบา ร, รมีเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายก็ควรจะเริ่มมีการสั่งสมการเสียสระวัตถุพร้อมทั้งกิเลสด้วยครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นศีและบา ร, รมีเป็นข้อที่สองที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณา น, นยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดศีลบารมีข้อที่สองนี้บำเพ็ญให้มั่นคงกรถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญศีละบารมีเถิดจามรีย่อมยอมตายในที่ที่ขนหางของตนติดอยู่ในที่บางแห่งไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลในภูมิทั้งสี่ก็คือ ศีลในภูมิทั้งสีในที่นี้ได้แก่ปาติโมคขสังวรศีลอินริยะสังวรศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลและก็ปัจเจกคณะศีลคือพิจารณาปั จ, จัยขุดจกริกายอัตกะถาพุทธวงศ์รักษาศีลให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อดุจจามรีรักษาขนหางฉันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หามีได้ เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นเนคขมะบา ร, รมีเป็นข้อที่สามที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดเนคขมบา ร, รมีข้อที่สามนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ท่านจงบำเพ็ญเนคขมะบารมีเถิดนอกจากศีลที่เป็นพื้นฐานเป็นฐานที่ตั้งที่มั่นคงก็จะต้องบำเพ็ญเนคขมะคือสมาธินั่นเองต้องมีจิตตั้งมัน่นคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับทุกมานานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำนั้นมีแต่จะหาช่องทางที่จะออกพ้นไปฉันใดท่านจงเห็นพบทั้งปวงดุดเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคขมะ เพื่อหลุดพ้นไปจากพบฉันนั้นเถิดสมาธิเอกกตานี้ก็ตรงกันข้ามกับการนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเนเข ม, มะนั่นเองแต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นปัญญาบารมีเป็นข้อที่สี่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปามก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดปัญญาบารมีข้อที่สี่นี้บำเพ็ญให้มั่นคงกรถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิดภิกตุเมื่อเที่ยวบินธบาตมิได้เว้นว่าจะเป็นตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงย่อมได้อาหารพ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ฉันใด ท่านเมื่อสอบถามควรมีความรู้ตลอดการทั้งปวงบำเพ็ญปัญญาบารมีไปเถิดแล้วจักบรรลุสามโพธิญาณได้ฉันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จะมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจักค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบม่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปถ้ามีเนคขมมะมีสมาธิแล้วก็ต้องอบรมปัญญาต่อเพราะฉะนั้นก็ บำเพ็ญปัญญาสแสวงหาจากผู้ที่มีความรู้เหมือนกับภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเข้าไปสแสวงหาอาหารในเรือนของคนชั้นต่ำชั้นสูงก็ทุกบ้านเลยไม่เว้นครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นวิริยะบารมีเป็นข้อที่ห้าที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดวิริยะบารมีข้อที่ห้านี้บำเพ็ญให้มั่นคงกรถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิดก้าจสีพญาเนื้อมีความเพียรไม่ย่อยหย่อนทั้งในขณะหมอบขณะยืนขณะเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรให้มั่นคงทุกพบทุกชาติ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 ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดขันติบ ร, รมีข้อดโยกนี้บำเพ็ญให้มั่นคงกรท่านมีใจแน่วแน่ไม่เป็นสองในขันติบ ร, รมีนั้นจับบรรลุสัมโพธิญาณได้ธรรมดาแผ่นดินย่อมทนทานต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงทุกอย่างทั้งที่สะอาดและไม่สะอาด ไม่ตทำความยินดีและความขัดเคืองแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันอดทนต่อการยกย่องและการดูหมิน่นของคนทั้งปวงบําเพ็ญขันติบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้แต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจักค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้น เมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นสัจจะบา ร, รมีเป็นข้อที่เจ็ดที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดสัจจะบา ร, รมีข้อที่เจ็ดนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนท่านมีคําพูดที่แน่นอนไม่เป็นสองในสัจจะบา ร, รมีนั้นจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ ธรรมดาว่าดาวประกายพลึกเป็นดาวนบประเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่เคลื่อนไปจากวิถีโคจรไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝนแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงอย่าถอยกลับไปจากทางที่ถูกต้องมั่นคงในสัจจะทั้งหลายบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้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 ท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบา ร, รมีนั้นแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ผู้ผาศิลาล้วนไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่สะเทือนเพราะลมแรงคงตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเองแม้ฉันใดท่านก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบา ร, รมีทุกเมื่อบำเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้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 ถ้าท่านปรารถนาจะ บ, บรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอในเมตตาบารมีธรรมดาน้ําย่อมแผ่ความเย็นชําระล้างมนทินคือทุลีเสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนที่เกื้อกูลกั น, กนและในคนที่ไม่ได้เกื้อกูลกั น, กนบนเรพณเมตตาบารมีแล้ว จักบรรลุสามโพธิญาณได้แต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจักค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็นอุเบขาบารมีเป็นข้อที่สิบที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดอุเบขาบรมีข้อที่สิบนี้บำเพ็ญให้มั่นคงกนท่านเป็นผู้มีอุเบขาเที่ยงตรงมั่นคงจากบรรลุสัมโพธิญาณได้ธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยในสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งสะอาดและไม่สะอาดทั้งสองอย่างเว้นความโกรธและความยินดีแม้ฉันใดท่านก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันจงมีใจเที่ยงตรงในสุขและทุกในการทุกเมื่อ บำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วจักบรรลุสำโพธิญาณได้ในครั้งนั้นสุเมธาดาบทค้นหาบารมีธรรมสิบประการนี้ได้แล้วจากนั้นคิดต่อไปว่าทมทั้งหลายที่จะกระทำให้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าที่จะบ่มพระโพธิญาณให้สำเร็จที่พระโพธิสัต์ทั้งหลายจะพึงบำเพ็ญในโลกนี้มีเท่านี้นั่นเทียวไม่มียิ่งไปกว่านี้ อันหนึ่งบารมีเหล่านี้ไม่มีแม้ในอากาศเบื้องบนไม่มีแม้ในแผ่นดินเบื้องล่างไม่มีแม้ในทิศทั้งปวงมีทิศ ต, ตะวันออกเป็นต้นแต่ตั้งอยู่ในกายในแห่งฮะททยของเรานั่นเองก็คือในกายในใจนี้แหละถ้าจะบำเพ็ญบารมีติก็บำเพ็ญอยู่ในกายในจิตนี้ทุเมธาดาบทครั้นพิจารณาเห็นแล้วจึงพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกอธิษฐานบารมีเหล่านั้น แม้ทั้งหมดอย่างมั่นคงกำหนดที่เบื้องปลายแล้วทวนมาถึงเบื้องต้นกำหนดที่เบื้องต้นแล้วหยุดอยู่ที่เบื้องปลายพยิจารณากลับไปกลับมากำหนดที่ตรงกลางแล้วจบลงที่สุดสองข้างกำหนดที่สุดสองข้างแล้วจบลงตรงกลางพิจารณาเห็นว่าการบริจาคสิงของภายนอกชื่อว่าบารมีการบริจาคอวัยวะชื่อว่าอุปบารมี การบริจาคชีวิตชื่อว่าปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัตถบารมีสิบพิจารณาเหมือนหมุนคนน้ำมันด้วยจักคู่ก็ทบทวนไปทบทวนมาด้วยความแคล่วคล่องชำนาญเมื่อสุมเมธาดาบท น, นันพิจารณาบารมีสิบประการอยู่ด้วยเดชแห่งธรรมมหาปัทพีอันกว้างหนาสองแสนสี่หมืนยอ ก็ทรงเสียงร้องกึกก้องกำปนาสั่นสะเทือนสถานหวันไหวประหนึ่งกำอ้อที่ถูกช้างเหยียบและประหนึ่งเครื่องยนต์หีบอ้อยที่บีบคันปั่นหมุนประหนึ่งล้อแป้นทำพาชนะดินและล้อยนต์บีบคันน้ำมันฉะนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าประหนึ่งล้อแป้นทำพาชนะดินและล้อยนต์บีบคันน้ำมันฉะนั้น ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณมีอยู่ในโลกเพียงเท่านี้นอกจากนี้ยิ่งกว่านั้นไม่มีท่านจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั้นเถิดเมื่อเราพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้พร้อมทั้งกิจและลักษณะอันเป็นภาวะของตนพื้นพระสุทธาโลก่ามีหมื่นจั ก, กรวาลก็ไหวด้วยเดชแห่งธรรม ปัตพีไหวสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนยนต์หีบอ้อยเมธนีดลวันไหวเหมือนล้อที่ยนต์หีบน้ํามันก็ในเพราะเรื่องบารมีนี้พระสัมมาสัมพุธิญาณย่อมไม่สําเร็จด้วยเพียงการบําเพ็ญบารมีเท่านั้นถ้าจะสําเร็จก็พึงสําเร็จได้ด้วยการบริจารพระนางมัสสีนั่นแลถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะบารมีทั้งหลาย จะถึงความสุดยอดต่อเพราะการบริจาคพระนางมัตตีนั่นเองแต่การบริจาคพระนางมัตตีก็รวมอยู่ในทานบา ร, รมีนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระสาวกทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งหมดนั้นตั้งมั่นในศีลธรรมะมนทินแห่งจิต ด, ด้วยสมาธิเห็นแจ้งด้วยปัญญาอยู่ย่อมบรรลุมรรคและผลผลทางนี้เท่านั้น ปฏิปทานี้เพื่อบรุญดิพานซึ่งบารมีทั้งสิบนั้นก็สงเคราะห์ อ, อยู่ในศีลสมทธิปัญญานี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์เมื่อจะแสดงความที่การสมาทานบารมีสิบแม้นั้นแล้วบำเพ็ญจนเต็มที่จึงกล่าวว่าสิกขตยันจัตสชินัสสะสันติเกบำเพ็ญไตรสิกขาในสำนักของพระชินจ้าพระองค์นั้นในคานั้น คำว่าสิกิตแต่ยังไตรสิกขาอธิบายว่าที่ชื่อว่าสิกขาก็เพราะผู้ที่ขึ้นจากนรกที่น่ากลัวในสงสารไปถึงนครแห่งนิพพานปรารถนาความเป็นใหญ่ในผลแห่งฌานจะต้องสนับชีวิตศึกษาสิกขานั้นมี3ามประการก็คืออธิศิลสิกขาอธิกจิตติสิกขาอาิปัญญาสิกขา สิกขาสามนั้นย่อมเป็นอนสมาทานด้วยการสมาทานบา ร, รมีนั่นเองบุคคลผู้บำเพ็ญบา ร, รมีสิทธิ์ย่อมบำเพ็ญสิกขาสามให้บริบูรณ์เมื่อบำเพ็ญสิกขาสามบริบูรณ์ย่อมบำเพ็ญโพธิปักจียธรรมสามทเจตการให้บริบูรณ์เมื่อบำเพ็ญโพธิปักจียธรรมเหล่านั้นบริบูรณ์ย่อมบำเพ็ญวิสุทธิเจตบริบูรณ์เมื่อบำเพ็ญวิสุทธิเจตบริบูรณ์ย่อมถึงทางแห่งนิพพานก็คืออริยมรรคในองศา พระบริสัทอธอธิษฐานไตรสิกขาอย่างนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะที่ตนนั่งแล้วไปยังหิมมวันตประเทศอันนี้ก็ให้ความหมายของไตรสิกขาไว้คำว่ออาสิกขานะที่ชื่อว่าสิกขากับพระผู้ที่ขึ้นจากนรกที่น่ากลัวในสงสารไปถึงนครแห่งนิพพานราถนาความเป็นใหญ่ในผลแห่งฌานเป็นต้นจะต้องสละชีวิตศึกษา เพราะว่าถ้าไม่ศึกษาแล้วก็อนาคตก็ตกนรกได้แน่นอนเะฉะนั้นผู้ที่โอกาสที่จะไปนรกจะต้องศึกษาก็คือทำทางไปนครนิพพานนั่นเองพระโพธิสัตว์ท่านใดละการตัดรู้ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือแล้วพยายามเพื่อช่วยให้ตัดลาวอื่นข้ามพ้นได้รับความทุกข์ในสงสารข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระโพธิสัตว์ท่านนั้น พันนาอภินิหารในการก่อนในคัมภีที่นาลังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประกาศชนี้ขอให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญไตรสิกขาแล้วก็อบรมบา ร, รมีสิบเป็นเหมือนหรือว่าเป็นเยี่ยงพระโพธิสัตว์ไม่เท่าหรอกยังไงก็บำเพ็ญไม่ได้ไม่เท่าหนะขอให้บำเพ็ญบา ร, รมีเพียงบรรลุเป็นพระสาวกก็ยินดีน่าจะเป็นสุขแล้วละ่ะ ก็ขอให้บำเพ็ญบารมีได้บริบูแล้วัตรรู้ด้วยไตรสิกขาหรือว่าอาริยมรรคิมืงแปดเพื่อความพ้นจากวัตรทุกโดยทั่วการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ